ฐานาที่พวกเองก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทก็ต้องทำหน้าที่จันลองพุทธศาสนาไว้พุทธบริษัทสี่ก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกเองก็ทาหน้าที่แทนอุบาสกเผยแผ่พุทธศาสนาวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ทำบุญทำกุศลได้มาถวายความรู้กับพระคุณเจ้าก็ถือว่าไม่ได้ง่ายนักหรอกที่ คนที่เป็นคารวะญาติโยมจะได้มาคุยกับพระกุณเจ้าแบบนี้พระหนุ่มๆ น, น, น้อยๆก็อยากจะคุยว่าแม้ว่าจะบวชไม่นานแต่ก็มีชีวิตที่อีกยาวไกลทุกครั้งที่ผมได้เจอพระกุณเจ้าร้ายรูปหลายองค์นี่ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ผมพิการใหม่ๆผมประสบัเหตุตั้งแต่สมัยปีพศ .2522 ตอนนั้นอายุยี่สิบสี่ปีเรียนจบใหม่ๆรับราช ก, การได้เพียงสามปีนะก็โชคไม่ดีละประสบวัติเหตุขณะที่กำลังสอนวิชาว่ายน้ำสาธิตการกระโดดน้ำลงไปในสระเนี่ยพลาดท่าทำให้ศีรษะเนี่ยไปกระแทกถึงพื้นก้นสระเนี่ยก็มีผลทำให้กระดูกต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยแล้วทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยเปนะต้นคอไปถึงปลายเท้าเนี่ย เป็นอำมาตย์หมดความรู้สึกไปจนกระทั่งบัดนี้เริ่มต้นปเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นจุดปเปลี่ยนระยะที่ขึ้นมาจากสาวายน้ําแล้วจากคนที่มีร่างกายเป็นปกติอนาคตยังมีหวัง <c oughs> ก็กลายเป็นสิ้นหวังไปเปลี่ยนทันทีเลยนับตั้งแต่นั้นมต้นมาเนี่ยชีวิตเลยมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้แต่สําหรับที่เสียเลยตัวเองไม่ได้ จนถึงปั จ, จุบันเนี่ยตั้งแต่ลริมต้นบานเนี่ยโอ้ชีวิตแบกแต่ความทุกข์เอาไว้ไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรพิชาความรู้ที่เคยเรียนมาเนี่ยช่วยใจไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เลยผมมีความรู้เรื่องเล่นกีฬาผมเป็นนักกีฬามีเพื่อนฝูงเยอะแยะฟุตบอลวอลเลย์บอลยิมนาสติกหลายอย่างในวิไลพระสงฆ์เนี่ยจะมีสนามกีฬาทุกประเภทเลย ผมผ่านสนามไหนเนี่ยผมลงเล่นในทุกสนามอาจจะไม่เก่งทุกสนามแต่ก็เล่นเป็นทุกสนามเหมือนเป็ดเลยนะโอเป็ดเนี่ยมันว่ายน้ําก็ได้นะแต่มันเก่งสู้ปลาไม่ได้หรอกอยู่บนบกมันก็อยู่ได้นะเป็ดแต่สู้แมวไม่ได้ไมแมวกินลูกเป็ดเป็ดบินได้แต่ว่าสู้นกไม่ได้โอ้เป็ดนี่มีความรู้มากมายตัว่าไม่เก่งทักอย่างหนึง่งเพราะว่าของประเภทนั้นนะแล้ว พิชาแบบเนี้ยมันช่วยให้ใจเราไม่ทุกเนี่ยช่วยไม่ได้ก็จะไปเล่นอะไรได้เพราะว่าเคลื่อนไหวตัวเองก็ยังไม่ได้เลยสิ่งที่เราเคยชอบชอบเนี่ยดูหนังฟังเพลงตลกสนานเฮฮามันหมดสนุกไปเลยเพราะมันมีความทุกข์อยู่ในจิตใจมันหมดสนุกไปเลยแม้แต่พยานที่จะหาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนชีวิตเราก็ยังกลบไม่มิดคนเราแม้ไม่ยังกับถ้าเราอาบน้ําไม่สะอาดหรือไม่ได้อาบน้ําเนี่ย เราไปสวมเสื้อผ้ายังไงมันก็คันถึงแม้เสื้อผ้าชุนนั้นเป็นชุดใหม่ยายามทำให้คันได้มันก็จะไม่ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมันหมดสนุกแล้วตั้งแต่นั้งต้นมาเนี่ยโอ้ชีวิตนี่ประสบข้อกรรมที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือผมได้คุณหมอเก่งๆก็ช่วยแก้ไขให้ผมเป็นปกติไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวท่านก็ช่วยเพียงแค่ให้กาลังใจ ท่านน่นเองผมก็เลยทันเหตชีวิตในช่วงนั้นมาปฏิบัติธรรมมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกก็มีวิธีการปฏิบัติธรรมนี่แหละ๋วยวจะบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ไปเลยแต่ว่าคนพิการเนี่ยเขาไม่ให้บวชหรอกตั้งแต่เริ่ต้นมาเลยคิดเปลี่ยนจิตเป็นใจใหม่ไหนๆเราไม่ได้บวชแล้วเราหมดโอกาสที่จะได้บวชแล้วเราก็มาบวชใจซะเลยคนพิการเขาไม่ให้บวชทั้งร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเขาไม่ห้ามสามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมหรือบวชจิตปิดใจดในทางพุทธศาสนาเนี่ยผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านทําอยู่ที่บ้านอาศัยการเจริญสติคือทําความรู้สึกตัวทําอยู่ที่บ้านก่อนจะปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอ่ะผมอ่านหนังสือมาสิบหกปีนะหนังสือธรรมะเนี่ยเยอะเลยที่บ้านมีหนังสือธรรมะมากมายเต็มตู้ไปหมดหาความรู้หาธรรมะจากตัวหนังสือ มีความรู้เรื่องธรรมะเยอะแยะแต่ว่าใจเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่ใจมีมากขณะที่อ่านเนี่ยเราก็เข้าใจดีคิดว่าเนี่ยโอเหมือนคนที่บรรลุธรรมเลยนะมีความรู้กว้างขวางแต่เวลามีอารมณ์มกระทบเนี่ยความรู้ที่เกิดจากตำรานช่วยเราไม่ได้เลยความโกรธนี่ไม่ดีใครๆก็รู้แต่ทำไมเราจรึงโกรธอยู่ <laughs> เพราะรู้แค่รู้จำรู้จัก ยังไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องความโกรธแค่ความรู้ก็ยังออาชนะความโกรธไม่ได้ก็ อ, ออกจากความทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งวันหนึ่งโชคดีอ๋อปฏิบัติธรรมทำให้โชคดีนะ <c oughs> ผมนี่โชคดีมากตั้งแต่เริ่มปฏิบททัติธรรมเริ่มมัดเนี่ชีวิตมาปฏิบัติธรรมเนี่ยความโชคดีต่างๆเนี่ยมีมากมายสิ่งที่เราเคยหวัง ขณะเป็นโยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยไม่เคยได้ ใ, ใจหวังเลยแต่พอเริ่มหันเหชีวิตมาสนใจธรรมะเนี่ยมันได้ในสะิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ใครจะรู้ว่าคนพิการจะมีโอกาสไปอยู่ที่วัดที่เราคิดว่าอยากจะไปอยู่วันดีคินดีหลวงพ่อคำเขียนท่านรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านท่านก็จัดพระคุญแจที่วัดมารับ ให้ไปอยู่ที่วัดซึ่งเราก็คิดว่ามันหมดบังอยู่แล้วไปอยู่ได้อย่างไรที่วัดนะคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้แต่ธรรมะทําฝันทั้งเราให้เป็นจริงได้หลวงพ่อคาเขียนเนี่ยสร้างกุฏิสร้างกุฏิให้อยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้ทําคุณประโยชน์อะไรกับที่วัดนั้นเลยแล้วก็อนุญาตให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ยายปี่น้องไปอยู่ได้ด้วยเจ้าหุงข้าวต้มแกงทําได้ตลอดเลยให้สิทธิ์เลย มันเป็นโอกาสดีที่ผมได้พาคุณพ่อไปอยู่ที่วัดกับผมด้วยห็นั่ยพาพ่อเข้าวัดคือคุณพ่อต้องไปดูแลผมอะผมช่วยตัวเองไม่ได้สกอนมีก็มีคุณพ่อคุณแม่ต่นนั้นอะที่ช่วยดูแลไปอยู่ที่วัดวันทีก็เปลี่ยนอ้าคุณแม่ไปอยู่บ้างคุณพ่อมึงอยู่บ้างคุณแม่ไปอยู่บ้างนะพาพ่อพาแม่เข้าวัดโดยที่ไม่ได้เจตนาว่าจะเป็นอย่างงี้มาก่อน โอ้คนที่เป็นลูกนี่ถ้าสามารถพาพ่อพาแม่เข้าวัดได้เนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะตอบแทนบุญคุณได้ดีกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองนี่ซ้าไปที่วัดมีแต่ความสงบมีแต่บุญมีแต่กุศลเจอพระคุเจ้าเจอผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ทำวัดได้สวดมนต์เนี่ยเป็นสิน่งไวร้อนที่เป็นบุญกุศลให้กับพ่อแม่ทางนั้นเลยก็ได้มีโอกาสทําในส่วนนี้ แต่ถ้าเราสามารถทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยละกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยโอ้นี่เป็นบุญสูงสุดเลยเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรบุตรที่มีคุณมากกว่าบิดามารดาอย่างพระคุณเจ้าที่บวชมาเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเนี่ยขุนเจ้าก็จะผู้ที่ได้บุญมากได้ตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่มาเห็นผ้าเหลืองเห็นวัดเห็นถ้ำ เห็นพระคุณเจ้าท่านก็มีความสุขมีปีติถ้าสมมุติต้องตายไปตอนนั้นนะไปเกิดสุขติมีสวรรค์เป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากเมื่อผมไปอยู่ที่วัดเนี่ยถ้าไม่นึกถึงว่าได้ทำประโยชน์กับตัวเองได้พบปะพูดคุยกับญาติธรรมมากมายมีผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมมาพูดคุยซักถามเรื่องการปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตก็ได้คุยญาติธรรมเนี่ย แต่ว่ายังไม่มีประโยชน์เท่ากับครุยกับพระคุณเจ้าผมมักจะอยู่ในช่วงที่เข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นสามเดือนบ้างห้าเดือนบ้างไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าที่ไปบวชใหม่ทีวดป่าสุกโตเนี่ยในพรรษาจะมีพระไปบวชมากและพระที่ไปบวชเนี่ยมีความรู้สูงทั้งนั้นเลยจบสูงๆจบแพทย์ จบวิศวกรจบครูบางรูปบางองก็บวชสามเดือนบางรูปก็หนึ่งเดือนบางรูปก็สิบห้าวันจะมีพระที่ไปบวชแบบนี้ในช่วงภาษาเนี่ยประจำผมก็จะได้คุยกับท่านแล้วก็ให้แง่คิดในบางอย่างในฐานะที่ว่ามีอายุสูงกับท่านแต่ไม่ได้มีภาษาสูงนะสมาใช้ันแนะนาว่าพระคุณเจ้าบวชสามเดือนเนี่ยมันไม่นานหรอก มันนานแค่วันสองวันแรกๆต่นนั้นเองเพอต่อไปเนี่ยมันจะไวมากใหม่ๆก็นับเรื่องเดือนอ่ออีกต้องสามเดือนต่อมาก็นับช่วงวันพระแต่ละ ด, ดูใกล้สั้นลงทุกทีทุกทีผมจะบอกว่าเวลาที่บวชสามเดือนเนี่ยเวลาใช้เวลาไม่นานนะเดี๋ยวเดียวจริงๆแในช่วงสามเดือนเนี่ยจะทํายังไงให้การบวชเนี่ยมีสาระมากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินที่จะ ปฏิบัติธรรมคือทำกรรมฐานทำกรรมฐานใช้ชีวิตอยู่ในวัด้วยการทำกรรมฐานคือการเจริญสติหลักใหญ่คือการเจริญสติ ก, ก, สตก็จะคุยอย่างเนี้ยทุกรูปทุกองคหลังจากนั้นก็ย้ายๆกันไปพระบางรูปบางองค์ก็จะเที่ยวมาคุยบ่อยๆคือพาร์ทที่เจริญสติหรือทำกรรมฐานท่านก็จะมาคุยว่าวิธีการเจริญสติทำอย่างไร ถ้าทำไปแล้วเจอความง่วงเวลามันง่วงนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าไม่ง่วงบางทีก็คิดฟุ้งซ่านสารพัดอย่างฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตอนาคตบางทีขี้เกียจจะบวชทำไมมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเหม็นมีอะไรเลยมันคิดได้นะไอความคิดเนี่ยมันคิดได้สารพัดอย่างเลยเจอความขี้เกียจเจอความกลัว อยู่ในถ้ำในเขาเงี้ยบางทีใหม่ใหม่ก็เย็นหลังต่อไปไอ้บางทีมันก็น่ากลัวนะบางทีนอนไม่หลับถ้าก็จะมาถามพระกรรมฐานจะถามนะพระที่ทางกรรมฐานถามทําอย่างไรถ้าเจออารมณ์แบบนี้เราจะเอาชนะได้อย่างไรจะทํายังไงที่จะไม่ทุกข์กับความง่วงจะทำใจยังไงที่จะไม่ทุกข์กับความกลัวจะทำใจยังไงที่จะไม่ทุกข์กับความฟุ้งซ่านจะทํายังไงถึงจะจําวัดได้รับสบายก็จะมีคําถามเงี้ยตลอด อันเนี้ยคือพระที่ปฏิบัติจะต้องใจอารมณ์แบบเนี้ยก็ให้คําแนะนําพูดคุยกันไปจะมีพระอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ทํากรรมฐานชอบทํางานชอบทํางานทํางานพัฒนาวัดที่จริงการพัฒนาวัดเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ประมาณบ่ายสามโมงพระทํากรรมฐานหรือใครก็ตามบ่ายสามโมงต้องร่วมกันพัฒนาวัดเก็บขยะกวาดวัดกวาดเจดีย์ เนี่ยกวา่าทำความสะอาดสาลาเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยพอในช่วงพัฒนาร่วมกันแล้วเนี่ยประมาณสักสี่โมงก็จะมีการฉันน้ำปานะพร้อมๆกันเราจะรู้เลยว่าพระรูปไหนปฏิบัติรูปไหนไม่ปฏิบัติอ๋อพระที่ปฏิบัติก็จะสำรวมฉันแบบสำรวมไม่ค่อยได้พูดคุยนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของพระบทใหม่จะไม่ค่อยคลุกคลีจะสารวมฉันเรียบร้อย ส่วนพระที่ไม่ได้เจริญสติเนี่ยโอ้ฟุ้งเลยคุยกันฟุ้งเลยพระที่พรรษามากกวา่าก็เลยเขียนไว้ว่าสถานที่สติแตกคือถ้าคุยแล้วก็สติแตกเพราะเวลาคุยเนี่ยสติจะไม่เกิดจะมีแต่การปรุงแต่งและไม่ได้คุยเรื่องธรรมะอะไร น, นะก็เลยแบ่งพระเป็นสองกลุ่มพระที่เจริญสติก็เรียกพระกรรมฐานพระที่ทํางานเรียกพระกรรมกร เขาแบ่งกันเองนะผมก็ฟังหนูอ๋อนี่พระเขาแบ่งกันเองนะนี่พระกรรมฐานนะพระกรรมกร <c ười> คือชอบทํางานตอนนี้พอถึงเวลาใกล้จะออกพรรษาอ๋อตอนนี้มีผลแล้วตอนใกล้ออกพรรษานี่ประมาณสักสิบห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยพระกรรมกรชักเดือดร้อนแล้วบวชมาจะออกพรรษาแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่พัฒนาวัดอย่างเดียวได้แต่วความสะอาด ซึ่งไม่บวกก็ก็ทําอย่างนั้นได้นะอยู่บ้างก็ทําอย่างนั้นโอ้แต่มันเดือดร้อนมากเลยทําไงสวดพระกรรมาฐานรีบเก็บตัวรีบเก็บตัวไม่ค่อยมาวุ่นวายละจะไม่ทําวัดไม่บีทัศ บ, บาทไม่ฟังธรรมจะเก็บตัวเพื่อจะปฏิบัติให้เข้มงวดในขั้นสุดท้ายก่อนจะศึกขาลาเพศ่อไปพระที่ไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมกรก็มาคุยว่าจะทํายังไรดีบอกท่านไม่ต้องทําอะไรหรอก ท่านทำกรรมาฐานสิแม้แต่สองวันนี่มันก็ไม่เสียเวลานะเจ็ดวันห้าวันนี่ไม่เสียเวลานะขอยท่านเริ่มต้นถ้าท่านเริ่มต้นเดินเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงได้ถึงไม่ถึงทั้งออกจากที่เดินไปแล้วมาถึงก้าวจากที่เดินไปแล้วก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมันเป็นการเป็นผลสําเร็จไปสู่จุดหมายปลายทางบอกไม่เป็นไรท่านถ้าลองเจริญสติเนี่ยใช้ชีวิตแบบเจริญสติ ท่านชอบทํางานก็ทําได้ทําแต่ว่าท่านต้องเติอนสติลงไปกับการทํางานถ้าบอกไม่ได้เพราะทํางานด้วยกันแล้วมันฟุง้งมันคลุกคลีกันมันฟุง้งอ่ะไม่มีสติอยู่แล้วถ้าไรเปลี่ยนวิธีการมาเจริญสติท่านก็นเปิเที่ยเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมบอกท่านนั่งปฏิบัติไม่ได้นั่งปฏิบัติแล้วมันจะหลับเพราะอยู่บ้านเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องทํางาน ถ้าไม่ทํางานนะไม่ง่วงก็ฟุง้งเอาการทํางานเป็นเครื่องอยู่ถ้าเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยเดินหลับชนต้นไม้ไม่เป็นไรท่านมันชนต้นไหนท่านเดินตรงนั้นแหละเดินตรงนั้นแหะต่อไปมันจะไม่ชนอีกหล้กมันจะมีการระวังตรงไหนท่านกลัวท่านอยู่ตรงนั้นอ่ะไอความกลัวดีทําให้ท่านไม่หลับโอ้ไปเดินมันจะมีกุดกุดหนึ่งสูงมากเลยไปกุดใกล้ๆหน้าผาท่านเดินตรงเนี้ย รับรองท่านไม่หลับหลับเนี่ตกหน้าฝาโอ้เดินสำรวมระวังมากเลยมันจะมีความกลัวนะกลัวสติมันเกิดขณะที่ความกลัวถ้าท่านหลับเขาจะตกไปอยุ่นล่างแก้ปัญหาง่วงนอนได้ตลอดทั้งพันศาเนี่ยอชนะความง่วงได้อย่างเดียวท่านภูมิใจมากโอ้บวกเขานี้ประสบผลสำเร็จแล้วอาจารย์กําพลตัมมาอาชนาความง่วงได้โอ้ภูมอกภุมิใจมาก แค่ระยะเวลาแค่เก็ดวันนั่นเองอะถ้าเราชนะความง่วงได้ถ้าเราเอาสิ่งเนี้ยเอาไปใช้กับการทำงานส่วนพระกรรมฐานอันนี้น่าสนใจมากในระหว่างเก็บอารมณ์เก็บตัวอยู่สิบห้าวันก่อนจะสึกเนี่ยท่านไม่ยอมมาพูดคุยใครเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันเลยเก็บตัวในกุฏิปฏิบัติเครียดเลยอยู่มาวันหนึ่งท่านเกิดปัญญาท่านเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากขึ้น ถ้าลงมาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งประมาณสักบ่ายสองโมงเนี่ยเป็นเวลาประมาณเนี้ยท่านลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาเพื่อจะมาเอาน้ำถ้ามีกระติกน้ำใหญ่เป็นคุณเลื่อยใหญ่มาตักน้ำท่านเดินมาถึงกลางทางเดิมยังมีสตินะก้าแต่ก้าเนี่รู้สึกตัวรู้สึกถ้าก็เห็นละมองแปทงหน้าเนี่ย เห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งต้นกล้วยที่คอมันขาดอ่ะเป็นต้นกล้วยที่เหมือนถูกไฟไหม้ดำเห็นแต่ไกลแล้วโอ้มีต้นกล้วยถูกไฟไหม้อยู่คอขาดถูกไฟไหม้แล้วก็เดินไปพอใกล้สักปราสักห้าเมตรเนี่ยท่านตกใจเลยมันไม่ใช่ต้นกล้วยหรอกมันเป็นงูจงอางงูจงอางชูคอมาระดับศีรษะท่านเลยพอเห็นว่าเป็นงูจงอางปั๊บท่านนิ่งดูที่งู ถ้าบอกว่างูจงอางตัวนี้ถ้ามันอ้าปากงาบศรีรษะนาสบายมากเลยตัวมใหญ่มากหัวมันเนี่ยประมาณถึงหกนิ้วความกว้างนะถ้าอ้าปากในงูไม่มีขานกายใช่ไหะมันงับแล้วก็หัวท่านหมดเลยตอนแรกถ้าเกิดสติโอ้ oh, นี่เป็นงูจงอางหยุดชะงักต่อมาเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งงูจงอางให้หน่ากลัวว่า ถ้ามันอ้าปากงับแล้วก็ท่านจะต้องเสียหัวไปกับงูเนี <laughs> ก็มีสติเหมือนกันตอนนั้นแต่สู้ความกลัวไม่ได้ละท่านถอยหลังทีละก้าวก้าวแรกพระพุทธก้าวที่สองพระธรรมก้าวที่สามพระสงฆ์ช่วยใจไม่ได้ท่นหลังกลับเลยสวาิ ญ, ญาหลวงพ่อโกยวัดไม่เดี๋ยวหลัง <laughs> วิ่งเน็ตทางน้ํานี่ก็จะกระจายหมดเลยไปถึงกุฏิสติเกิดแวบเดียวพอปรุงแต่งปับ๊บความกลัวเล่นงาน หมดเลยสติน้ําก็ไม่ได้ทราบข่าวว่า ง, งูจงอางตัวเนี้ที่วัดป่าสุกระโตเรียกว่าปูจงอางปูจงอางไม่เคยทํำร้ายใครพอถึงเวลาบ่ายสองเขาก็จะลงมากินน้าเหมือนกันเขาก็รอนเมืองงูจงอางตัวใหญ่มากวันหนึ่งยังเคยไปที่สวนเกษตรที่นั่นก็จะมีสวนเกษตรตระรับแม่ชีไปทําสวนทําสวนแม่ชีจะไปปลูกผักวันหนึ่งกําลังดายหญ้ารำสวนงูจงอางโผล่มาเยี่ยมเยียนแม่ชีทำยังไงรู้ไหมมือถือมีดอยู่เนี่ย นวางมีดกราบแล้วงูมันก็ไปมันไม่สนใจไม่เคยทํำลายใครเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่เจอละงูจงอางตัว น, นั้นเพราะเขามีการปรกุติมีเสียงดังเขาอยู่ไม่ได้ละปูจงอาแต่ที่สําคัญคือพระกุญจ้ารูปนั้นเนี่ยเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นใจตัวเองก็มาคุยว่าอัตมาเนี่ยปกติเวลาทํางานเนี่ยหรือเวลาเรียนเนี่ยจะใช้อารมณ์ ใช้อารมณ์เป็นใหญ่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์ตัวเองท่านยอมรับตรงๆว่าท่านเรียนไม่จบราชมงคลเพราะอะไรเพราะท่านตีกับคนอื่นโ <c oughs> กรธเขามองหน้าไม่พอใจนะตีก็เลยออกมาอยู่บ้านออกมาทํางานทํางานที่ไหนก็ทําไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มีแต่ความโกรธระเบิดความโกรธอยู่เรื่อยรู้ไม่ทันอารมณ์แต่วันนั้นเนี่ยพอเห็นงูจกอางปับเขาเห็นความกลัว ตอนแรกถ้ามีสติท่านไม่กลัวตั้งหลักได้แต่ว่าเผลอไปปรุงแต่งให้งูจงอางเนี่ยมันใหญ่เท่าพยานอะ้าถ้าปรุงแต่งเป็นงูจงอางเป็นงูดินนี่จะไม่มีปัญหาเลยนะแต่ปรุงแต่งบอกโอ้โหหัวมันใหญ่แล้วมันงาบคอปรุงแต่งเพื่อจะให้กลัว ท, ทั้งทั้งที่งูจงอางไม่ได้ปรุงอะไรเลยมองหน้ากันเฉยเฉยมันพร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาเลยแล้วพอพระวิ่งหนีไปแล้วมันก็ไปตามทางของมัน ถ้างูจงอางจะไล่กัดพระรูปนั้นเนี่ยองค์เจ้าว่าจะรอดไหมห้าเมตรงูจงอางนี่ไวขนาดช้างเชือกวิ่งนะพอเลยนะมันขับไล่ได้นะแต่ทัานขาดสติไปปรุงแต่งเขาวิ่งหนีถ้าเห็นว่าอ๋อเนี่ยเพราะเราชอบทำตามความคิดทำตามอารมณ์เกิดความกลัวก็ทำตามความกลัวโดยที่ลืมว่าเราอยู่ในเป็นเพ่ของพระ แล้วก็ใจเราก็ไม่ได้ทําร้ายงูจงอางด้วยถ้าไม่ไปเหยียบเขาเนี่ยเขาไม่ทําร้ายเราเด็ดขาดเลยท่านรู้จักใจตัวเองเข้าใจแล้วว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยที่ผิดหวังหรือผิดพลาดมาเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อความคิดตัวเองแล้วท่านก็บอกตรงๆว่าเมื่อตอนที่ทําาบวชใหม่ๆมีพระที่บวชอยู่ก่อนไปสอนท่านไปสอนเรื่องวินยัยสอนเรื่องการใช้ชีวิต ไปห้ามกดต่างๆห้ามสูบบุหรีห้ามต่างๆท่านไม่ชอบใจท่านโกรธลงไปข้างล่างเลยไปรอดักที่จะทําร้ายพระรูนั้นด้วยพอดีโชคดีพระรูนท่านเดินขึ้นกุฏิไปท่านไม่ลงมาข้างล่างท่านว่าถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยอาตมาเนี่ยจะต้องถอดจีวรแล้วก็มีเรื่องมีลาวแล้วก็ศึกทันทีเลยอารมณ์ท่านร้อนมากถ้ารู้เลยบ อ, อเพราะว่าไอความรอ้อนโลนเนี่ยมันมาจากความคิด ที่มันปรุงแต่งในจิตใจท่านเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะออกไ ป, ไปเผชิญหน้ากับโรคภายนอกโดยที่รู้เท่าทันท่านยังขอบคุณว่าที่ท่านอยู่มาบวชสามเดือนท่า น, นได้ประโยชน์มากเพราะนั้นพระคุณเจ้าสามเดือนเนี่ยเดียวเดียวนะแล้วอีกเจ็ดวันเนี่ยจะไวกว่าไหมในช่วงเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถหาสาระจากการบวชเนี่ยได้ง่ายมากเลย หาสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับในชีวิตในช่วงเนี้ยเพราะว่าเวลาเสด็จาลาเพไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมารู้จักตัวเองเลยเจ็ดวันเนี่ยผมหมายถึงว่าให้เรามาศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองไม่มีมหาวิเลยไหนหรอกสอนเรื่องชีวิตเรื่องตัวเองไม่มีหรอกแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนสอนให้กลับมาดูตัวเองหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเลือกให้มาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเอง ถ้าแก้ตัวเองได้แล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยบางทีไม่ต้องไปแก้ไขก็รู้เข้าทันจิตใจตัวเองแล้วก็เอาชนะโดยที่ไม่ต้องไปทำตามเนี่ยตรงนี้แหละเป็นการชนะตัวเองเจ็ดวันเนี่ยสามารถทำได้ข้า อ, อยู่ความตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะเอาชนะตัวเองได้นั้นต้องมารู้จักตัวเราก่อนถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่รู้จักตัวเราหรอกเราก็จะมองแต่ข้างนอก คนโน้นดีคนนี้ไม่ดีอันนั้นสวยนี่ไม่สวยปล่อยจิตประจิตให้ส่งออกหมดเลยเราจะไม่รู้จักตัวเราเองเลยแต่การบวชการเจริญสติการฝึกสติเนี่ยเป็นการย้อนกลับมาดูตัวเราเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าอาศัยรูปแบบของการบวชนี่แหละมาเจริญสติเจริญสติก็คือการมาทําความรู้สึกตัวสามคำมรู้สึกตัว ในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยแต่ละเวลาแต่ว่านาทีเนี่ยง่ายๆเลยภูกุญแจมีอิเลียบทอยู่แล้วมีศีลอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วการเดินแต่ละก้าวแทนที่จะเดินเปล่าๆ ป, ป, ปล่อยใจฟุ้งซ่านเราก็เดินแบบรู้สึกตัวไม่ได้ใช้ความคิดไม่ท่องๆก้าวแต่ละก้าวก็รู้สึกว่าเรากำลังเดินกาลังเดินการนุ่งสะบงคลองจีวรเราก็รู้สึกว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ กำลังคลองจีวรกำลังนุ่งเสบงจะแปลงฟันก็รู้สึกตัวจะสงน้ําก็รู้สึกตัวออกบินทบาทเอาความรู้สึกตัวออกไปด้วยแล้วเวลากลับก็เอาความรู้สึกตัวกลับมาด้วยเวลาออกนี่รู้สึกตัวแต่เวลากลับเนี่ฟุง้งซ่านไม่ได้เสียเวลาในการบินทบาทการเปิดบาทก็รู้สึกการรับบาทก็รู้สึกตัวให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันว่า พระคุณเจ้ากำลังทําอะไรอยู่ง่ายๆนะการจริ้สติเนี่ยการพัฒนาวัดพื้นที่ที่มีกิ่งไม้มีใบไม้แล้วก็กวาดกวาดอย่างรู้สึกตัวว่าเรากําลังทํางานรู้สึกตัวกับการทําหน้าที่กับการทําวัดการสวดมนต์การก้มกราบให้รู้ได้รู้ตัวเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ด้วยการมีสติชีวิตจะเป็นปัจจุบันมากขึ้นชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตจริง ให้อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความฝันอยู่ความฝันคืออะไรคือเรื่องอดีตอย่าพูดกุนเจ้าพระหนุ่มๆ น, น, น้อยๆอย่างเงี้ยเรื่องอดีตไม่ค่อยคิดละคิดแต่เรื่องอนาคตศึกไปแล้วจะทําอย่างไรเริ่มต้นทําตรงนี้ก่อนเนี่ยเริกพิจารณาคตแล้วเหลืออีกเจ็ดวันแล้วนับถอยหลังยิ่งนับบันรอเนี่ยมันยิ่งนานนะมันยิ่งนานเพราะมันไม่ใช่ของจริง ถ้าอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตเดี๋ยวเดียวระยะหลังนี่ผมเข้าเรือนจําบ่อยไปพูดคุยกับผู้ต้องขังไปคุยกับผู้ต้องขังผู้ต้องขังจะนับวันรอโอว่าจะปล่อยนะวันนี้จะมีใครมาเยี่ยมไหมแล้วเราถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยสังคมจะยอมรับหรือเปล่าแล้วอีกต้องหลายวันคือมองแต่อนาคตอนะ่ะก็คือนักโทษอยู่ในอนาคต คุณเจ้าผู้ที่เจริญสติเนี่ยถ้ากับอยู่ในปัจจุบันเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันนะชีวิตที่มีอยู่ไม่ใช่ชีวิตที่ฝันอยู่คือเรื่องของอนาคตอนาคตวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไม่ต้องวางแผนวางไว้ก่อนวางใจไว้ก่อนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะมีความสุขกับการเจริญสติจะเพลินทํางานก็เพลินใช้ชีวิตก็เพลินคนเราในมีความทุกข์เพราะว่าปล่อยจิตประใจัยให้ไปกับอนาคต เสดายอาดีตปรุงแต่งอนาคตซึ่งมันเป็นความฝันทั้งนั้นเลยความจริงคือขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือความจริงที่สุดเลยการจลสติเป็นกา ร, รเผชิญหน้ากับความจริงลูกผู้ชายต้องเผชิญหน้ากับความจริงสุภาพบุรุษต้องกล้าเผชิญหน้าความจริงว่าขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไ ร, รเผชิญกับความจริงเราจะเข้าใจตัวเราว่าเราคิดอย่างไร หลายคนหลายรูปก็บอกว่าเรารู้จักตัวเราแล้วเรายังไม่รู้จักหรอกเรารู้แต่ความคิดการรู้จักตัวเราต้องรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้ามีสติจะรู้นะว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราเป็นคนขี้เกียดเราเป็นคนเห็นก่ตัวเราเป็นคนขี้กลัวเราเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายๆเจออุปสรรคก็ไม่ฝ่าฟันละท้อแท้จะเข้าใจตัวเรานะ แม้ว่าตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้แต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้ e จุดอ่อนตัวเองแล้วก็จะไปแก้ไขทีนี้เราก็จะเข้าสังคมได้แบบมั่นใจเพราะเราเข้าแบบรู้จักตัวเราเมื่อรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยจะรู้จักคนอื่นด้วยจะเข้าใจคนอื่นเราไม่ชอบสิ่งนี้คนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเราชอบสิ่งนี้คนอื่นก็ชอบเหมือนกันเป็นเช่นความสุขเราก็ชอบคนอื่นก็ชอบ ความทุกข์เราไม่ชอบหรือก็ไม่ชอบมันจะเลยเกิดการไม่เบียดเบียนกันจะอยู่แบบไม่ขัดแย้งกันเพราะเข้าใจกันสังคมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเจรลสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นกา ร, รเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่เราเจอมีสองอย่างเนี่ยคือความถูกใจเจอไหมความถูกใจกับความขัดใจ มีสองอย่างที่ชัดเจนมากถูกใจกับขัดใจไอ้ความถูกใจไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ความขัดใจเนี่ยมีปัญหาต้องตื่นงงตั้งแต่ตีสี่ตีห้าต้องฉันอาหารนี่อยู่บ้านจานมันก็สวยอยู่นี่ไม่ค่อยสวยอาหารก็เลือกไม่ได้ต้องอยู่ในวินยัยต้องอยู่ในระเบียบคุกคลีก็ไม่ได้ดูทีวีโทรศัพท์ก็ไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องขัดใจทางนั้นอ่ะแต่ที่จริงนะไม่ได้ขัดใจนะมันขัดกิเลสในใจเพราะว่าพระกุเจ้าตั้งใจมาบวชเนี่ยมีความตั้งใจดีแล้วใจดีแต่กิเลสนี่ยมันไม่ค่อยชอบหรอกกิเลสมาเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครทําดีได้ง่ายหรอกมันจะขัดกิเลสเพราะฉะนั้นความขัดใจนั้นดีเรารู้จักเถอะเนี่ยมันขัดใจมันกําลังขัดกิเลสเราแล้ ว, ลวขัดใจคือขัดกิเลส <laughs> ไอ้ความถูกใจเนี่ยไม่ปลอดภัยนะ ไอ้ความขัดใจเนี่ยดีมากจะได้รู้จักตัวเราอ๋อในความขัดใจเป็นอย่างนี้เองเมื่อเจอความขัดใจเรารู้สึกอย่างไรเจอความถูกใจเรารู้สึกอย่างไรเราสามารถที่จะรู้ทันแล้วก็เอาชนะมันได้ไหมถ้าเราทําตามเจอความถูกใจก็โหละล่ายิ้มแย้มแล้วก็ทําตัวออกนอกธรรมวิ น, นัยขาดสติไปเลยอันนั้นเจอความถูกใจถ้าเจอความขัดใจงุดงิดอึดอัดขัดเคืองโลกนี้ไม่สวยงาม เป็นทุกข์เลยใช่ไหมอันนี้คือทำตามแล้วทตามอารมณ์แล้วถ้ามีสติรู้ทันว่าอันนี้ถูกใจนะอันนี้ขัดใจนะมันจะมีความอดทนเกิดขึ้นในใจจะรู้จักฝืนจิตฝืนใจตัวเองอดทนบางอย่างต้องรอคอยใช่ไหมคบางทีการรอคอยเนี่ยเป็นการฝึกจิตเราอย่างดีเลยคนสมัยนี้เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงก็คือว่าไม่อดทนกับการรอคอยอะไรๆก็สาเร็จรูปทั้งนั้น สมัยก่อนเนี่ยการตัดเสื้อผ้าเราเข้าร้านตัดเสื้อผ้าเนี่ยตัดแล้วเนี่ยอีกห้าวันเจ็ดวันถึงจะมารับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องชุดสําเร็จคือคนสมัยเนี้ยรอคอยอะไรนานไม่ได้มันจะขัดใจจะเป็นทุกข์จะเครียดเลยรีบร้อนถ้าเรามีสติรู้ทันอยู่เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะเริ่มที่จะปฏิวัติจะไม่ทําตามความคิดไม่ทําตามอารมณ์เนี่ยสมัยก่อนพอเราไม่มีสติ เวลามันเจอความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็เข้าอยู่ในการปรุงแต่งเลยว่าอ๋อนี่เรานะเราคิดเราโกรธแล้วก็ทําตามไปบางทีมันเกิดความผิดพลาดบุญเจ้าเคยเสียเสียดายไห ม, มคํำนี้เราไม่น่าพูดไปเลยเราไม่น่าพูดคํานี้ไปเลยแต่พูดไปแล้วด้วยการขาดสติเราไม่น่าทําสิ่งนี้ลงไปเลยแต่ทําไปแล้วบางทีต้องเสียอนาคตไปเลยเพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจว่า สิ่งนี้ไม่น่าทําสิ่งนี้ไม่น่าพูดแต่ทําไปแล้วแล้วมันเสียดายตอนหลังมันจริมันแก้ไขไม่ได้ละถ้ามีสติแล้วจะรู้ทันนะอ๋อนี่มันคิดนี่มันเป็อารมณ์แค่รู้เฉยเฉยเนี่ยอารมณ์มันก็เข้ามาปรุงแต่งในจิตไม่ได้จิตจะเป็นอิสระแล้วไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามความสูกใจไม่ได้ให้ความขัดใจความสุขความทุกข์กิเลสไม่ได้ห้ามแต่ให้รู้ทันแค่รู้ทันเนี่ย ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยจิตจะเป็นอิสระทันทีเลยมันจะไม่เข้าไปในคลุกคล้าอารมณ์เมือนอย่างกับมีนกตัวหนึ่งมีนกมาเกาะเนี่ยถ้าเรามองหินนกเกาะเนี่ยนกเนี่ยจะบินหนีและสัตว์ร้ายบางอย่างเมื่อเจ้าเอกกับเราเนี่ยเขาก็จะหนีนะแต่ส่วนมากเราหนีซะก่อนทางฝ่ายต่างหนีศบตาปั๊บเนี่ยเขาจะหนีเราบางทีเขาจะมองว่าเราจะไปท่าไหน ถ้าเราจะเข้าไปทำรายเขาเขาก็จะสู้ถ้าเราเจยหรือเราหนีเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่อารมณ์ก็เหมือนกันถ้ารู้ทันเนี่ยอารมณ์มันจะปรุงแต่งต่อไม่ได้เลยมันจะหยุดทันทีไปการเอาชนะแบบไม่ต้องห้างเขาเรียกเหนืออารมณ์เอาชนะอารมณ์ได้เท่าก mm ับเอาชนะใจตัวเองได้เอาชนะใจตัวเองได้เท่ากับเอาชนะตัวเองใช่ไหการเอาชนะตัวเองนี่คือเอาชนะใจตัวเองชนะไอ้ความ อยากความไม่อยากพวกนี้ละ่ะเอาชนะโดยที่ไม่ทําตามแล้วก็จะชนะคนอื่นด้วยการเอาชนะใจตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากประเสริฐกว่าการเอาชนะคนอื่นการเอาชนะคนอื่นนั้นกแกล่าดูดีในภายนอกแต่ข้างในเนี่ยแพ้กิเลสตัวเองนะพเพราะกิเลสในใจอยากจะชนะอยากจะชนะเราทําตามเอาชนะเขาได้แต่เราแพ้ใจตัวเองเขาเรียกแพ้กิเลสตัวเองเราไม่เข้าใจ เข้าใจคิดว่าเออเอาชนะคนอื่นเนี่คือใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช่นะเราแพ้กเกเรตัวเองสมมติว่าพระคุณเจ้าขับรถขับรถแข่งกันมาเลยเราแซงเขาได้เราแซงก็ไ ด, เเได้เราภูมิใจแต่พอถึงทางโค้งเน็ตเราไม่ทันแล้วหาโค้งเลยเหมือนกับอ่านเอาชนะผู้อื่นเอาชนะคนอื่นได้เนี่ยเราก็ตกทางโค้งคือแพ้กเกเรตัวเองตรงนี้แหละคือสาระสําคัญเลยนะเพราะนั้นชีวิตไม่ได้อยู่เฉพาะปัจจุบันนี่หรอก คุณจะอายุ น, น้อยๆจะต้องก้าวไปข้างหน้าไ ป, ไปเผชิญหน้ากับโลกกว้างในโลกกว้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอันตรายทั้งนั้นเลยคือมีความสมหวังมีความผิดหวังมีความถูกใจกับมีความขัดใจรอเราอยู่ในด้านความสมหวังก็คือบางทีเราได้เงินได้ทองได้สติเงินทองแล้วก็ถูกใจเราได้เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่ง แล้วก็ชอบใจมีใครมาสรรเสริญเราให้เกียรติเราเราก็ภูมิใจเวลาเรามีความสุขสอบได้คะแนนดีชนะกีฬาเราก็ถูกใจเราสมหวังอันนี้เป็นส่วนที่ดีเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่โลกเรานี่ไม่ใช่มีเฉพาะสมหวังอย่างเดียวนะแล้วในด้านผิดหวังอ่ะในด้านผิดหวังก็คืออาจจะเสียทรัพย์สินเงินทองถูกขโมยถูกภัยพิบัติ หรือถูกคดโกงเราทําใจได้ไหมเรามีตําแหน่งหน้าที่งานสูงวันดีคืนดีถูกลดตําแหน่งลดชั้นลงมาเนี่ยเราทําใจได้ไหมถูกติชินนินทาให้ร้ายป้ายสีโดยที่เราไม่มีความผิดเนี่ยเราทําใจได้ไหมหรือมีความทุกข์สอบไม่ผ่านเล่นกีฬาก็แพ้ความรักไม่ได้เองใจหวัง สิ่งนี้ทุกคนต้องเจอเราทำใจได้ไหมกับสิ่งที่มันไม่ได้่างใจเราเนี่ยบางคนต้องเอาค่าตัวตายเลยนะเรียนสูงแต่ ว, ว่าค่าตัวตายเพราะว่าในส่วนที่ผิดหวังทำใจไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้านะเราหนีไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นการที่อยู่ฝึกกลับมาดูตัวเองเนี่ยฝึกเอาชนะใจตัวเองสิ่งที่ถูกใจเออก็รู้จักมันไม่ห้าม สิ่งที่ขัดใจก็รู้จักไม่วันไหวตามสิ่งที่ขัดใจเราให้รู้ทันอย่างเนี้ยเป็นการฝึกฝนจิตใจด้วยความรู้สึกตัวท่านจะฉลาดในอารมณ์ท่านจะฉลาดในการแก้ปัญหาขณะที่อยู่ห้าวันนี่แหละฉลาดแก้ปัญหาโดยที่ใจไม่ทุกข์ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยแล้วสิ่งอเนี้ยเป็นการฝึกออกไปใช้กับโรคภายนอกที่มันสับสนวุ่นวาย เราจะไปใช้กับสิ่งนั้นได้แล้วก็แนะนําคนอื่นได้ด้วยจากประสบการณ์ที่บวชแล้วก็เจริญสติรู้สึกตัวอยู่การบวชอย่างเงี้ยออกไปได้นําเอาไปใช้ใช้จนตลอดชีวิตเลยวิชาที่ท่านเรียนมาเนี่ยบางทีใช้แค่ช่วงหนึ่งไม่ตลอดชีวิตแต่วิชาที่จะรู้สึกตัวมีสตินี่แหละใช้จนวินาทีสุดท้ายก่อนจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็แนะนําคนอื่นได้ด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารัก ให้เขามีสติมีสติอย่างไรเรามีวิธีการบอกครับให้รู้สึกตัวเนี่ยเราจะฉลาดในอารมณ์ตัวเองเรียนเก่งสูงขนาดนี้ไม่สําคัญเท่ากับฉลาดในอารมณ์เรียนเก่งแต่พ่ายแพ้อารมณ์ตัวเองนี่ก็ไปไม่รอดนะเก่งต้องดีด้วยสตินี่แหละเป็นยอดของคุณธรรมทั้งหลายเลยเป็นเบรกเป็นห้ามล้อให้ละชั่วทําดีรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยสติอย่างพระครูเจ้านั่งอยู่เนี่ยเนี่ย เนี่ยมีความรู้สึกตัวแล้วว่าท่านกําลังนั่งท่านกําลังฟังอยู่ถ้าว่าท่านกลัวจะเหมื่อยลอยท่านก็ถูนิ้วมือเล่นลองเคยถูนิ้วมือไหมเอานิ้วชี ก, กับนิ้วหัวมือถู ก, กันเบาๆท่านรู้สึกได้เนี่ยท่านมีสติแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีชีวิตแล้วถ้าจิตใจเหมื่อยลอยไปถึงอนาคตถึงบ้านถึงโลกนี้เนี่ยพระคุณเจ้าเหมือนไม่มีชีวิตมีชีวิตคือการมีความรู้สึกตัวนี่เองและเป็นที่พึ่งได้ทํางาน ก็ใช้ความรู้สึกตัวถ้าขาดสติการงานจะผิดพลาดแล้วก็จะเครียดกับการทำงานมีครอบครัวก็ใช้สติทุกอย่างมีสติเนี่ยอยู่ได้ผมเองนี่ชีวิตที่อยู่ได้ถึงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะมีธรรมะตัวเนี้หล่อเลี้ยงคือมีความรู้สึกตัวในหล่อเลี้ยงสมัยก่อนที่ผมยังไม่พิการผมเป็นคนที่ขาดสติมากเพราะความขาดสติจึงพาผมไปกระโดดน้า ถ้ามีความรู้ตัวก่อนแล้วก็ผมจะไม่ทําอย่างนั้นเลยเพราะร่ า, างกายในยมันเหนื่อยมันเพลียแล้วแต่ว่าปลากระโดดน้ําไม่รู้จักประมาณตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการเพราะขาดสติถ้ามีสติก็จะหยุดพักผ่อนพักซะก่อนแล้วพอพลาดครั้งนั้นแล้วเนี่ยร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตเลยใครก็ช่วยไม่ได้แต่ธรรมะช่วยได้ช่วยใจไม่ให้ทุกข์ได้ขณะที่นอนพิการอยู่เนี่ยไม่มีอะไรทําโอ้ใจมันคิดมากเลย ฟุ้งซ่านแต่พอมีธรรมะมีการเจรติตสติจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วดึงจิตดึงใจงอยู่กับเนื้อกับตัวได้สบายเลยอุปสรรคต่างๆความทุกข์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันช่วยมันช่วยทําให้ผมเนี่เป็นคนที่ช่วยตัวเองรู้จักการรอคอยรอคอยคอยคื่นมาช่วยเราบางครั้งการรอเนี่ยมันหงึดเมื่อไหร่เขาจะมาช่วยเราทีเมื่อไหร่จะมาช่วยเราหงุยิดมากเลย และการรอคอยเนี่ยเป็นเวลาที่เลวล่าที่สุดเลยแต่พอเรามาจิสติแล้วเนี่ยถูนิ้วมือเล่นรู้สึกตัวแทนที่จะไปคิดรอคอยเมือ่อไหร่เขาจะมากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมาสร้างสติมาปฏิบัติธรรมใช้การรอคอยให้เป็นประโยชน์วันทีก็นอมพลิกมือเล่นพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกหงายรู้ถ้าเรามารู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยการรอคอยจะไม่มีความหมายเลยนะ ในช่วงองการรอคอยได้ปฏิบัติธรรมแม้แต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะจิตมันคิดฟุ้งซ่านก็สายการเจริตสตินี่แหละอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตมันอยู่กับกายไว้ย่ายมันฟุ้งไปข้างนอกมันก็หลับสบายเลยความเข้มแข็งความอดทนเกิดจากอุปสรรคเหล่าเนี้ยแล้วก็อาใช้สติช่วยเลยกลายเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งอดกลั้นไม่ไปกับอารมณ์ได้ไง่ายๆอารมณ์จะไม่บีบคั้นใจเราไม่ได้ มีสติรู้ทันได้แล้วชีน่าอารมณ์เลยเนี่ยยานะความเหงาความเบือ่อความแต่งมันหายไปเลยอยู่ด้วยการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้นจิตใจเกิดเป็นชีวิตใหม่มีมุมมองชีวิตเป็นทางที่ดีมากมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ไม่ได้คิดค่าตัวตายไม่ได้คิดมองตัวเองเปนแง่ลบคิดว่าเป็นประโยชน์อ๋อความทุกข์อุปสรรคไม่ดีนะ มันช่วยสอรเราเป็นครูสอนเราได้อย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างแล้วก็ได้ทําประโยชน์ด้วยเพราะกุญเจ้าก็อาศัยรูปแบบของการบวชเนี่ยเป็นรูปแบบในการฝึก <S <S 1> <S 1> ผมนี่อาศัยรูปแบบของความทุกข์ <S <S อุปสรรคต่างๆเนี่ยฝึกจิตฝึกใจร่างกายฝึกไม่ได้หรอกมันก็พัฒนานได้แค่นี้แหละถ้ามันหายก็เดินไปไหนแล้วนี่มันฝึกไม่ได้ฝึกใจไม่ต้องเป็นทุกข์กับอารมณ์ที่มากระทบได้ความรู้ จากความทุกข์ได้ความรู้จากปัญหาของเราได้ปัญญาจากสิ่งที่มันขัดใจเราเนี่ยสึ่งเนี้มันขัดใจเรานะเราไม่ไปเครียดกับมันมันช่วยขัด ก, กิเลสให้กับเรามันก็หมดจิตหมดใจพราะมีประโยชน์มากพระคุณเจ้าในช่วงสั้นๆเนี่ยขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวไม่ใช่โค้งสุดท้ายแล้วทางตรงจะเข้าเส้นชัยแล้วให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างเดียวให้รู้สึกตัวก้าวเดินก็รู้สึก จะขบจะฉันก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวอันนี้แหละมันจะได้คําตอบชีวิตเราจะเริ่มเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นพระที่แท้จริงในช่วงงการบวชไม่ใช่เป็นพระเฉพาะภายนอกพระภายในคืออะไรคือความสะอาดความสว่างความสงบความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นพระที่แท้จริงความสะอาดความสว่างความสงบรู้ตื่นเบิกบาน แล้วก็จะมีความสุขอยูอยังมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันของเราอย่างนี้แหละ